ไปไปอื่นทํากระทำโดยความเอือ้อเฟื้อโดยความหนักว่าของนี้สําคัญมีค่าฟังโดยเคารพอย่างนั้นแล้วก็จําโดยเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามโดยเคารพอันนี้ชื่อว่าได้กลิ่นได้กลิ่นของพระพุทธพจน์คือพุทธพจน์เนี่ยจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นแล้วแต่คนใชัยกลิ่นคือประโยชน์ของคําสอนแล้วแต่คนถ้า ถ้าเราฟังแล้วเราก็ไม่เคารพไม่เห็นภ่าคุณค่าใส่ใจไปที่อื่นนะก็ชื่อว่าไม่ได้ผลของพระพุพทธพจน์นั้นแต่เมื่อไรก็ตามเราฟังแล้วเราเนี่ยหูฟังด้วยเคารพจำได้เคารพและปฏิบัติตามอันนั้นกลิ่นจะออกแล้วนั่นคืออะไรศีลจะออกไปจากชีวิตเราแล้วนะเมตตาจะออกไปละศรัทธาจะออกไปละ ใช่มพระพุทธาจาแสดงเมตตาแสดงสีมแสดงศรัทธาแสดงกุศลกรรมบท1ิเราฟังนะั้นไม่มีเลยในตัวเราที่ท่นแสดงเนะันไม่มีเลยก็ชื่อว่าไม่ได้กลิ่นไม่ได้ทากลิ่นหอมให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าเบื่อเราทําขึ้นมาแล้วนะก็จะได้ผลดีอยู่ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้เกิดเป็นประโยชน์ แกมหาชนดังนี้แหละจบจบฉัตตะปาณิอุบาสกเพราะฉะ น, นั้นสําคัญนะคาถาที่ท่านแสดงเนี่ยสําคัญว่าพระพุทธพจน์จะมีผลหรือไม่มีผลเนะี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวพระพุทธพจน์อย่างเดียวอยู่ที่ว่าคนฟังฟังแล้วเขารบหรือไม่จําได้หรือไม่ปฏิบัติตามได้หรือไม่อันนี้อันนี้สําคัญนะถ้าทําได้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ย เราก็จะได้กลิ่นหอมของพระพุทธพจน์คือได้รับผลประโยชน์จากคำสอนพุทธเจ้านั้นบริบูรณ์ไม่มีทางที่จะไปเกิดความหวั่นไหวในในในคำสอนหรือในคำกล่าวของคนอื่นว่าว่าคำสอนพุทธเจ้า ไม่มีประโยชน์แกชีวิตจะไม่กล้ากล่าวพูดคําพูดนี้เลยเมื่อเราได้ได้ปฏิบัติตามแล้วได้ผลอันนี้มันต้องรู้ในตัวเราเองว่าคําสอนนี้เป็นประโยชน์แกเราหรือเปล่าสอนเราได้จริงหรือเปล่าสอนแล้วเราได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าสอนเราให้ทานเนี่ยแล้วทานมันมาเกิดในใจเราจริงหรือเปล่าถ้าสอนเราให้กตตัญญูกัตตัญญูมันเกิดแล้วกัตตัญญูนั้นมันให้สุขแกเราจริงหรือเปล่ามันต้องมันต้องพิสูจน์ดูนะเราถึงจะรู้ได้ว่า พระพุทธพจน์ที่ท่านแสดงนั้นมีคุณค่าแก่เราขนาดไหนต่อไปนะว่าด้วยเหตุเสื่อมและไม่เสื่อมแห่งศาสนาในตัดยสัทธธรรมสัมโมสสุดูกนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัทธธรรมทำห้าประการเป็นไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเร่าเรียนพระสูตร ที่ทรงจําไว้ไม่ดีเรียนไม่ดีเรียนแล้วประจาไว้ไม่ดีด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีด้วยถ้อยคํนะหรือด้วยประโยคที่มันไม่ดีแม้อัดอัดก็คือสภาวะธรรมหรือความหมายแห่งบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีย่อมเป็นเนื้อความมีในไม่ดีนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งโอ้อันนี้สำคัญมากเลยคือเรียนพระสูตรแล้วก็ จำอะไรไม่ถูกต้องรู้ไม่ถูกรูไ ม, กรไม่ถูกยุ่งไปหมดเลยคันนี้ก็ครานนี้ไมันก็เป็นความเสื่อมดลเพราะมันไปไ ป, ไปเข้าใจผิดไปแล้วสูตรท่านแสดงอันเนี้ยมีความหมายอย่างหนึ่งแต่เราไปเข้าใจสักอย่างหนึ่งนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะแห่งความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัจธร ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนแห่งสัตยธรอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากว่ายากคือว่าไม่รับคําสอนโดยเคารพนะไม่ใช่ว่าง่ายว่าง่ายนี่รับคําสอนโดยเคารพเลยไม่มีการกิดเอื้อนอะไรทั้งสิ้นประกอบด้วยธรรมที่กระทําให้เป็นผู้ว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนรับคํำท่าสอนโดยไม่เคารพนี้เป็น ทำข้อที่สองหรือเป็นเหตุข้อที่สองย่อเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัต ร, รมนี่ว่าว่ายากนี่ก็แย่แล้วหัวดื้อนะไม่เอามายอบรับเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อว่ายากแล้วไม่อดทนแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนไม่อยากรับคำสอนอันนี้แน่นอนเลยลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตรมแน่ อิปการหนึ่งภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระหูสูตรมีการเล่าเรียนมากทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกามาติกาในี่ยหัวข้อธรรมะนะอย่างเช่นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากรตาธรรมะเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วต้องแจกข้ามาได้ด้วยกุศลาเนี่ยคืออะไรอากุศลาเนี่ยคืออะไรแต่เรียนแล้วเนี่ยไม่บอกพระสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพ เมื่อพิสูจเหล่านั้นล่วงลับไปพระสูตรย่อมขาดข้อมูลไม่มีหลักนี้เป็นธรรมข้อที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตธรรมเวลาจะสอนเขาก็สอนไม่หมดสอนโดยไม่เคารพสอนไม่ให้สิ้นเชิง ม, มีการปิดบังเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกลัวเขาจะรู้เท่าเราเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วพระสูตรก็เลยขาดต้นขาดมูลลากขาดเตุ ขาดต้นเหตุไม่มีหลักก็เป็นอันว่าพระสูตร น, น, นั้นก็เสื่อมสูญไปลบเลือนไปอีกประการหนึ่งพิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระคือบวชมานานเนี่ยเป็นผู้มกักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดล่วงละเมิดคือล่วงละเมิดวินัยทอดทุระในทางวิเวกคือไม่เอาแล้วไม่ไปอยู่ตงหัดกายในปา่าไม่ไปอยู่ เพื่อประพฤติกรรมฐานให้สงกัดจิตให้สังกัดกิเลสไม่เอาแล้วไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเราก็คือโสดาปติมัคโสดาปติผลนี่ยังไม่ถึงเอาทั้งหมไ ด, ได้ได้โสดาปติมัคเป็นผลแล้วก็ต้องทำต่อไปอีกนะไม่ใช่หยุดทําไปจนกว่าจะถึงอรหักจะผลนั่นแหละจนหมดเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทําให้แจ้ง การสืบทอดนิพพานบรรลุเนี่ยคือมรรคผลประชุมชนรุ่นหลังย่อมถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างประชุมชนนี่หมายถึงว่าภิกษุที่บวชทีหลังก็เอาภิกษุที่เป็นเถระเป็นตัวอย่างประชุมชนเหล่านั้นก็เป็นผู้มคมากมีความประพฤติย่อหย่อนมากๆคืออยากได้ปัจจัยสีมากๆอยากได้ลาภจากกาละมากๆ มีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการล่วงละเมิดล่วงละเมิดศิษยาบด์ทอดทุลาในทางวิเวกไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงก็คืออาทิศีลศีลอันยิ่งก็หมายถึงอธิจิตก็หมาถึงอธิปัญญาก็หมาถึงอย่างเนี้เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือมรรคผลเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ไม่ทําให้แจ้งคือปานิาพานนี้เป็นธรรมข้อที่สี่ ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งศัตรมอันนี้ก็คงจะเห็นได้แล้วนะเมื่อเมื่อเมื่อคุณประพฤตินำเขาในการทำตามใจดีเลตมันไม่มีทางหรอกที่คนรุ่นหลังมันจะมามันจะไม่ทำตามนะเพราะว่าเราเป็นหัวนหน้าเขานี่เขาก็ต้องทำตามเราอีกประการหนึ่งสงเป็นผู้แตกกัน เอาละยุ่งละทีนี้ยสงแตกกันแบ่งเป็นแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายไม่ลงไม่ลงสังฆากรเดียวกันไม่ลงปฏิโมกเดียวกันเมื่อสงแตกกันแล้วย่อมมีการด่ากันและกันบริพาทกันและกันแช่งกันและกันทอดทิ้งกันและกันเรียกว่าโกรธกันทะเลาะวิวาทกันในเหตุการณ์เช่นนั้นคนผู้ไม่เลื่อมใสก็ยอมไม่เลื่อมใสไอ้คนที่มันได้ท่าอยู่แล้วยิ่งด่าใหญ่เลย เกนพวกหนังสือพิมพ์เป็นตน้นยิ่งด่าใหญ่ขายหนังสือดีเราต้องลงให้มากๆยุยมให้มันแตกกันนะเพราะว่าขายของดีนี่ไม่มีใครซือ้อขายของไอ้ชั่วๆร้ายๆทุกๆอย่างยากลำบากระบบนคนซื้อะขายข่าวอย่างนั้นคนไม่เลื่อมใส ย, ย่อมไม่เลื่อมใสและคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วย่อมเหินห่างไปว่าสงไม่ดีเลยทะเลาะกันมันบริพาทกันด่ากันทอดทิ้งกันหันหลังให้กัน นี้เป็นธรรมข้อทีห้าย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรมดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายทำข้าพการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมศูนย์แห่งสัตธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ถูกต้องหมดแล้วโดยสรุปก็คือกิเลตนั่นเองกิเลน่ะทําให้แตกกิเลนในพระ น, นี่มาทาให้แตกโลกมากไม่เคารพไม่เคารพก็คือไม่มีที่ดีอุตตปะไม่ศรัทธาไม่กระตันยูกะตเวทีเนี้ยโลกมากหวังจะเอาลาบยศ ตั ก, กะละนะพูดอย่างนี้จะมันไส้อาตมาหรือเปล่าไม่รู้นะพวกพระทั้งหลาย ม, มันไส้กันไม่ถูกนะพระสูตรก็ว่าอย่างนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นภายเพื่อความตั้งมั่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตรทูทำห้าประการเป็นชนคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวด้ดีด้วยบทและพยัญชนะที่ตั้งไวด้ดีด้วยถ้อยคํา โดยประโยคที่ถูกต้องนะแม้อัดแห่งบทและพิธีนะที่ตั้งไว้ดีย่อมเป็นเนื้อความที่มีนายดีคือคือพอพอพอถ้อยคาดีใช่ไหมเรียนจำไปดีก็จะสามารถเห็นสภาวะธรรมเห็นความหมายเห็นตัวจริงของธรรมะได้ดีตอนเนื้อความที่มีนายดีก็แนายดีก็คือแม้ ว, มว่าว่าให้รู้ดีให้รู้ถูกต้องนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นไม่ลบเลือนเสื่อมสูญแห่งสัตยธร ก็แสดงนายะกตรงกันข้ามนะพระสูตรนี้ก็ยังไม่จบแต่ว่าเรื่องความก็คงจะพอรู้ได้ง่ายก็คิดว่าขอยุติไว้แค่นี้เพราะว่าเวลาแห่งการบรรยายธรรมก็หมดลงพอดีขอให้พระสัทธรรมของพระสัมาสัมพุทธเจ้าจงรุ่งเรืองอยู่ในชีวิตจิตใจของท่านไปถูกทราบทุกพบที่ท่านเกิดแล้วเกิดแล้วขอให้ท่านเป็นผู้เจริญ ในการปฏิบัติตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานโดยพรานทุกท่านเธิ